เลินพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่ 30, สามสิบเมษายนพุทธศักราช2546้าี่เป็นวันพระเป็นวันธรมธรมสวนะเป็นวันฟังธรรมการที่สาธุชน จะดำเนินชีวิตไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามมีแต่ความสุขความเจริญความเป็นสิรนมงคลปราศจากความทุกข์ปราศจากปัญหาที่สร้างความวุ่นวายใจให้กับตนนั้นจำต้องมีความรู้ที่ควรรู้ ไว้เป็นเครื่องนำทางเพราะพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสิ่งที่ควรรู้อยู่เจ็ดประการด้วยกันให้สาธุชนได้นำเอาไปปฏิบัติเพราะถ้าปฏิบัติตามสิ่งที่รู้นี้ได้แล้วชีวิตย่อมดำเนินไปได้ด้วยความดีงามด้วยความเจริญรุ่งเรือง อย่างแท้จริงสิ่งที่ควรรู้จิตตการนี้คือหนึ่งรู้เหตุสองรู้ผลสารู้ตนสี่รู้บุคคลห้ารู้สังคมหรู้กาละเทศะเจ็รู้ประมาณนี่คือสิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่ง ยิ่งกว่ารู้อะไรอื่นๆในโลกนี้เสียอีกถึงแม้เราจะมีความรู้จบปริญญาตรีโทเอกมามีความรู้ในการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำให้เราร่ำรวยทำให้เรามีตำแหน่งสูงๆแต่ถ้าเราไม่รู้สิ่งที่ควรรู้เจ็ดประการนี้รับรองได้ ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความวุ่นวายจะมีแต่ความทุกข์จะมีแต่ปัญหาตามมาเพราะความรู้นอกเหนือจากสิ่งที่คนรู้เจตประการนี้แล้วไม่สามารถที่จะนำพาชีวิตของเราไปในทิศทางที่ดีที่งามที่เจริญได้ถึงแม้เราจะร่ำรวยเราจะมีตำแหน่งสู ง, สง แต่นั่นไม่ใช่เป็นผลของความเจริญคือไม่ใช่เป็นความเจริญที่แท้จริงถ้ามีความร่ำรวยมีตำแหน่งสูงสูงแต่ใจมีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ปัญหาที่จะต้องไปแก้ไขต้องขึ้นลงขึ้นศาลหรือไปติดคุกติดตารางอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความเจริญเป็นความสุข ต่อให้อยู่ท่ามกลางกองสมบัติอันใหญ่โตถ้าจิตใจมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์แล้ว <c oughs> สมบัติเงินทองต่างๆที่มีอยู่นั้นจะมีประโยชน์อะไรสู้คนที่ไม่มีเงินทองอย่างพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์สาวกแต่ท่านอยู่ได้ด้วยความสงบด้วยความร่มรื่นด้วยความเย็นด้วยความสบาย นั่นก็เป็นเพราะว่าท่านรู้ในสิ่งที่ควรรู้ทั้งเจ็ดประการนี้ดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสนใจต่อสิ่งที่ควรรู้ทั้ ง, งเจ็ดประการนี้แล้วชีวิตของเราเก็จะดําเนินไปได้ด้วยความดีงามถูกต้องมีแต่ความสุขที่แท้จริงตามมาหนึ่งรู้เหตุ คือการรู้ว่าการกระทําทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมนุกรรมทั้งสามนี้เป็นเหตุเมื่อทำไปแล้วย่อมมีผลตามมาเหตุนั้นก็มีอยู่สองลักษณะใหญ่ๆการกระทําที่ดีเรียกว่าบุญเรียกว่ากุศล การกระทําที่ไม่ดีเรียกว่าบาปเรียกว่าอกุศลเมื่อทําไปแล้วผลก็จะปรากฏตามมานี่ก็คือเราต้องรู้ว่าการกระทําของเรานั้นเป็นเหตุที่จะทําให้ผลที่จะตามมานั้นจะสุขหรือจะเจริญจะทุกข์หรือจะเสื่อมก็ขึ้นอยู่ที่เหตุที่เราทํา มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขอพรอจากพระผู้เป็นเจ้าขอพรอจากพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ศาสนิกชนนั้นขอพรอจากพระไม่ได้ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากพระแต่ให้ทำความดีเพราะความดีเป็นเหตุอันจะนามาซึ่งความสุขและความเจริญ ดังนั้นเราจึงต้องรู้ผลผลที่เราปรารถนากันคือความสุขและความเจริญแต่ผลที่เราไม่ปรารถนากันก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียผลนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากเหตุดังนั้นถ้าเราต้องการผลที่ดีเราก็ต้องสร้างเหตุที่ดี เช่นทำบุญทำกุศลถ้าเราไม่ต้องการผลที่เสียคือความทุกข์ความเสื่อมเราก็ต้องละเว้นจากการกระทําเหตุที่ไม่ดีคือละเว้นจากการทําบาปทํากรรมละเว้นจากอากุศ ล, ลกรรมทั้งหลายผลที่เราไม่ปรารถนามันก็จะได้ไม่ปรากฏขึ้นมานี่แหละคือเรื่องของเหตุและ เป็นกฎของธรรมชาติที่ไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้ขึ้นกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดแม้แม้จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้สอนเรื่องเหล่านี้หรือไม่ก็ตามเรื่องเหล่านี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานและเป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันและจะเป็นต่อไป ในภายภาคหน้าในอนาคตข้างหน้านี่เป็นสัจธรรมความจริงที่เป็นอาการลิโกคือไม่ขึ้นกับการกับเวลาดังนั้นเราจึงควรที่จะทำความเข้าใจรู้เหตุและรู้ผลเรารู้ว่าเราต้องการผลอย่างไรเรารู้ว่าเหตุที่จะทำให้ผลเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเป็นอย่างไร เราก็ควรที่จะบังเทนเหตุนั้นให้เกิดขึ้นเช่นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ว่าถ้าเราปรารถนาความสุขความสงบความเจริญทางด้านจิตใจเราต้องทำบุญทำทานต้องรักษาศีลต้องปฏิบัติธรรมเพราะนี่เป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ อย่างแท้จริงสารู้ตนการรู้ตนนี้หมายถึงรู้ว่าตัวเรานี้มีอะไรดีบ้างมีอะไรไม่ดีบ้างมีจุดเด่นตรงไหนมีจุดด้อยตรงไหน <c oughs> คือเราต้องรู้จักแยกแยะส่วนที่ดีในตัวเราออกจากส่วนที่เสียในตัวเราคนเราทุกคนนั้นมีทั้งดี มีทั้งชั่วอยู่ในตัวเราเพราะในอดีตรเราเคยกระทําความดีและความชั่วสลับกันไปสลับกันมาตามอารมณ์ของจิตในวรจิตที่มีอารมณ์ดีที่เรียกว่ากุศลจิตก็จะทําความดีอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายมีกุศลจิตจึงได้มาที่วัดมาทาบุญทําทาน ฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกันนั่นเป็นเพราะว่ามีอมีกุศลจิตรปรากฏขึ้นแล้วนั่นเองแต่บางวันก็มีอกุศลจิตรปรากฏขึ้นมาก็จะไปกระทำอกุศลกรรมเช่นไปเสพสุรายาเมาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลาเดิมเหล้าเล่นการพนัน เหล่านี้ก็เป็นผลที่เกิดจากอากุศลละจิตเมื่อเมื่อมีแล้วก็นำพาไปสู่อกุศ ล, ลกรรมที่กระทำไปก็เพราะว่าไม่รู้ตนนั้นเองไม่ได้มีสติคอยดูจิตของตนไม่ได้มีสติคอยดูการเคลื่อนไหวของกายและวาจาว่าจะดำเนินไปในทิศทางไหน แต่ถ้าเราฝึกตั้งสติดูจิตดูกายดูวาจาว่ากำลังจะเคลื่อนไปทิศทางไหนถ้ารู้ว่าเป็นการไปในทางอากุศ ล, ลกรรมก็ยับยั้งเสียถ้ารู้ว่าจะไปในทางกุศลกรรมก็ส่งเสริมเสียอย่างถ้าวันนี้คิดจะมาทำบุญที่วัดก็รีบมาเสีย อย่าไปผัดวันประกันพรุ่งบางทีมีกุศลจิตแต่ไม่มีกำลังใจมีความเกียจคร้านมาคอยขวางพอจะตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่อยากจะลุกขึ้นมาเสียแล้วก็เลยไม่ได้มาทําบุญที่วัดกันแต่ถ้าเรามีกุศลจิตแล้วพอตื่นขึ้นมาปั๊บก็ต้องรีบรุกขึ้นมาทันทีล้างหน้าล้างตาเพียมข้าวเพียมของ ออกจากบ้านลุ่งมาสู่ที่วัดไม่ว่าสภาพดินฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรก็จะไม่ให้มาขัดขวางกุศลจิตกุศลกรรมอันดีงามนี้ <c oughs> นี่คือการดูจิตในขณะเดียวกันถ้าเกิดอกุศลจิตขึ้นมาวันนี้เกิดเปรี้ยวปากอยากจะกินเล้าซะหน่อยเคยหยุดมาได้ต้องสองสามอาทิตย์แล้วแต่วันนี้อารมณ์ไม่ดี คนนั้นไปพูดอย่างนั้นคนนั้นไปทําอย่างนี้ทําให้เกิดความไม่พออกไม่พอใจก็เลยคิดว่าจะดับความไม่พอใจนี้ด้วยการเสพสุราถ้าไม่มีสติ ด, ดูใจอยู่ถ้าไม่รู้ตนไม่รู้เหตุรู้ผลก็จะไหลไปตามความคิดนั้นความอยากนั้นก็จะต้องไปกระทําอกุศลกรรมไปเสพสุรายาเมา เมื่อเสพไปแล้วเกิดอาการมึนเมาก็จะพาไปสู่การประพฤติที่ไม่ดีต่อไปบางทีก็อาจจะไปพูดจาถากถางผู้อื่นพูดจาหยาบคายเกิดการทะเลาะวิวาเกิดการทาร้ายร่างกายเกิดการฆ่าฟันกันขึ้นมานี่ก็เป็นเพราะว่าไม่รู้ตนไม่มีสติคอยเฝ้าดูการกระทำของตนนั่นเอง ถ้ามีสติแล้วเมื่อมีอกุศลละจิตคิดอยากจะเสพสารยาเมาก็ต้องระ ง, งับความรู้สึกอันนั้นทันทีบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีผลที่จะตามมานี้มันก็ไม่ดีมันอาจจะลามปางถึงกับทำร้ายชีวิตของเราหรือไม่อย่างน้อยก็จะต้องจับเราถูกเราเราต้องเข้าคุกเข้าตารางไปนี่ก็เป็น สาเหตุที่เราไม่มีสติคอยดูการเคลื่อนไหวของใจของกายของวาจานั่นเองดังนั้นเราจึงควรเจริญสติอยู่อย่างสม่ำเสมอกับการเคลื่อนไหวของกกรรมทั้งสามนี้คือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนกรรมเป็นผู้ิเริ่มเป็นต้นเป็นต้นของต้นเหตุของการกระทาทั้งหลาย เราจึงควรฝึกดูจิตของเราการที่จะฝึกดูจิตได้านี้ต้องฝึกสมาธิหัดทำทำสมาธิควบคุมจิตใจให้สงบให้อยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับบทสวดมนต์สวดไปอย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆหรือให้อยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธ ก็ควบคุมไว้อยู่อย่างนั้นแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นจิตของเราเห็นการเคลื่อนไหวของจิตแล้วเวลาจิตเคลื่อนออกจากพุทโธหรือออกจากบทสวดมนต์เราก็รู้แล้วว่ากำลังออกนอกรูนอกทางเหมือนกับคนขับรถที่มีสติจะรู้ว่ารถอยู่บนถนนหรือไ ม, ม่ไม่อยู่บนบนถนนแต่ถ้าคนเมาไม่มีสติ ขับไปนี่บางทีไม่รู้ว่ารถตกออกไปนอกถนนแล้วจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา <c oughs> เพราะไม่มีสตินั่นเองดังนั้นเราจึงควรฝึกสติด้วยการฝึกสมาธิวันวันหนึ่งควรจะทำสมาธิอย่างน้อยสักสองครั้งเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งก็ยังดีตอนเชา้าตื่นขึ้นมาก่อนจะไปทำอะไร ก็นั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิสักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก่อนที่จะนอนก็ทำอีกสักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงหนึ่งรับรองได้ว่าเราจะมีสติไห้คอยดูแลใจของเราเมื่อเรามีสติแล้วเวลาใจของเราคิดไปถึงเรื่องอะไรเราก็จะรู้ทันเมื่อรู้ทันเราก็ดับได้เหมือนกับการดับไฟเวลาที่มันเริ่มเกิดขึ้นนี่มันดับง่าย เช่นไคโยนเศษบุหรีเข้าไปในกองใบไม้ถ้าเราเห็นว่าเริ่มมีควันไฟลุกขึ้นมาเราเพียงแต่เอาอะไรไปปัดๆเป่าๆ เ, เอาน้ำไปเทสักนิดหนึ่งไฟก็ดับแล้วมันดับง่ายถ้าดับตอนต้นต้นไฟแต่ถ้าปล่อยให้มันลามออกมาถึงถึงที่มันใหญ่โตแล้วไฟบางทีก็ดับไม่ได้อย่างไฟป่า บางทีเราก็ดับนั้นไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันลุกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรให้มันเผาไหม้แล้วไฟมันถึงจะดับไปเองนะฉันใดการกระทําของเราในทางที่ไม่ดีทางกุศ ล, ลกรรมก็เปรียบเหมือนกับไฟมันจะเริ่มขึ้นอยู่ที่ความคิดในจิตของเราแล้วเมื่อเริ่มแล้วถ้าเราไม่ควบคุมดับเสียมันก็จะไหลออกไปทางวาจาทางกาย และถ้าออกไปแล้วก็ยากต่อการที่จะหยุดมันได้นะดังนั้นเราจึงต้องมีสติไว้คอยดูตัวเรานี่คือเรื่องของการรู้ตนสี่รู้บุคคลก็คือรู้จักคนที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นคนอย่างไรเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนพาณ คนดีคนเป็นบัณฑิตก็อย่างที่พูดไว้เป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานชอบรักษาศีลชอบปฏิบัติธรรมส่วนคนพาลก็เป็นคนที่ชอบเสพอบายมุขทั้งหลายเช่นสุรายาม เ, าเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกียดคร้านนี่ก็คือลักษณะของคนพาล เวลาเราครบกับใครก็ขอให้เราดูเขาว่าเขาเป็นคนแบบไหนถ้าเขาเป็นคนที่มีความดีมากกว่าความชั่วก็น่าคบแต่ถ้าเขามีความชั่วมากกว่ามีความดีก็ไม่น่าคบแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะคบกับเขาไม่ได้แต่เราต้องระวังถ้าเขาเป็นคนไม่ดี ถ้าเรายังมีความจำเป็นที่ยังต้องคบค้าสมาคมกันอยู่เราก็ต้องมีขีดเส้นไว้ว่าถ้าเขาชวนเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดี <c oughs> เช่นชวนเราไปเสพอาบายามุขทั้งหลายเราก็ต้องปฏิเสธเขาไปไม่ต้องไปเกรงใจเขาขอให้เราเกรงธรรมะยิ่งกว่าเกรงใจคนถ้าเกรงใจธรรมะแล้วเราปลอดภัยแต่ถ้าเราเกรงใจคน ธรรมะที่มีอยู่ในใจเราก็จะต้องถูกถูกทําลายไปเช่นถ้าเราเสียดายเพื่อนเพื่อนเขาชวนเราไปกินเหล้าไปเที่ยวไปเล่นการพนันเราเสียดายเขาเราก็ต้องไปกับเขาเราก็เลยเสียคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวของเราคือเราก็ต้องไปเสพอบายามกุกทำทำบาปทำกรรมต่อไปดังนั้นเราต้องเลือกระหว่างธรรมะ กับเพื่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่สามารถครบคนที่ดีกว่าเราหรือดีเท่ากับเราได้ก็อยู่คนเดียวไปจะดีเสียกว่าเพราะถ้าคบกับคนที่เขาเลวกับเราร้ายกับเราไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องชวนเราไปทําในสิ่งที่เลวที่ร้ายนั่นเองแล้วเราก็จะต้องเสียผู้เสียคนไปแต่ถ้าเราอยู่คนเดียว อย่างน้อยเราก็อยู่กับธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่กับคุณงามความดีเราก็ไม่เสียหายอะไรถึงแม้เราจะไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าการที่จะเจริญขึ้นได้นั้นบางทีก็ต้องอาศัยผู้อื่นผู้ที่ฉลาดกว่าเราผู้ที่ดีกว่าเราเป็นผู้ฉุดลากเราขึ้นไปเช่นเวลาเราได้คบกับคนที่เขามีศีลมากกว่าเรา เช่นเราถือศีลห้าแต่เขาถือศีลแปดเขาก็จะคอยชวนเรามาวัดมาจำศีลถือศีลแปดกัน mm hmm. เขาจะไม่ชวนเราไปเสพสุรายาเมาอย่างแน่นอ น, mm hmm. นเมื่อเขาชวนเราบ่อยๆเข้าเราก็อาจจะลองดูก็ได้ทำก็และก็เลยได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนถึงแม้มันจะยากบ้างแต่เมื่อมีเพื่อนคน สนิทเขาทำอยู่มันก็ทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจเพราะเราก็คิดว่าเขาก็เป็นคนเหมือนเราเมื่อเขาทำได้ทำไมเราจึงจะทำไม่ได้ดังนี้จึงทำให้เราเจริญขึ้นมาได้อย่างพวกเรามาพบพระพุทธศาสนามาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเจอพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย เมื่อเห็นท่านบำเพ็ญตนอยู่ในทางที่ดีที่งามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็ทําให้เราเกิดมีกำลังใจที่อยากจะประพฤติปฏิบัติตามท่านเมื่อปฏิบัติตามชีวิตของเราก็จะดีขึ้นนี่คือการรู้บุคคลรู้คนดีจากคนชั่วแล้วเลือกคบแต่คนดีอย่าไปคบคนชั่วประการ ข้อที่ห้าคือรู้สังคมการที่เราจะอยู่ในสังคมนั้นจะอยู่ได้ด้วยความสงบร่มเย็นไม่มีเรื่องราวปัญหาเราต้องรู้จักกฎระเบียรรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมนั้นๆเวลาเราอยู่สังคมใดเราก็ต้องศึกษาดูว่าเขาทำอะไรกันอย่างไรแล้วอย่าไปฝืนทำในสิ่งที่เขาไม่ทำกัน เพราะถ้าเราไปฝืนทรมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างชาวต่างประเทศเช่นฝรัง่งเขาไม่ค่อยถือถือเรื่องศรีรษะกับเรื่องเท้าเท่าไหร่เวลาเขามาอยู่เมืองไทยถ้าเขาไม่รู้จักขนรทมเนียมประเพณีของไทยที่ถือว่าศรีรษะเป็นส่วนสูงและเท้าเป็นส่วนต่ำบางทีเขานั่งเขาก็จะเอาเท้าชี้ใส่หน้าเราอย่างนี้เป็นต้น เมื่อไปทําอย่างนั้นก็จะทําให้เกิดความไม่พออกไม่พอใจสําหรับคนไทยแต่ถ้าชาวต่างประเทศคนนั้นเขาได้ศึกษาได้รู้นู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมนั้นแล้วเขาปฏิบัติตามเขาก็จะกลายเป็นคนน่ารักขึ้นมาคนไทยก็จะชอบเขาเช่นฝรั่งบางคนเขาอ่อนน้อมเขารู้จักยกมือไหว้ เขารู้จักนั่งพับเพียบ mm. เขารู้จักกราบพระอย่างนี mm. ้เวลาเขาไปที่ไหน mm. ก็จะมีแต่คนชมเชยเขาช mm. ีวิตของเขาในสังคมนั้น mm. ก็จะเป็นไปได้ด้วยความสงบด้วยความราบรื่นดีงาม mm. นี่คือการรู้สังคม mm. 6. รู้กาลเทสะคือรู้ต้องรู้จัก การและสถานที่ที่เราอยู่ที่เราไปว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่อย่างเวลาตอนนี้เรากำลังนั่งฟังเทศฟังธรรมกันอยู่สมมุติว่าญาติโยมมาสายอยากจะรีบนำกับข้าวกับปลามาถวายพระก็ไม่สนใจดูว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ก็รีบเอากับข้าวกับปลาเข้ามาถวายเอาข้าวมาตักบาศ ทั้งๆ ท, ที่มันไม่ใช่เวลาที่จะกระทาเรื่องเหล่านั้นมันก็จะทำให้เกิดวงแตกขึ้นมาคนที่เขานั่งกันสงบฟังเทศฟังธรรมด้วยความสงบกำลังได้รับความรู้ก็จะต้องถูกขัดขวางถูกทาลายไปเพราะผู้แสดงก็ต้องหยุดแสดงต้องรับของประเคนต้องรับข้าวที่เขาใส่บาตรมา มันก็เลยทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมานี่ก็เป็นเพราะว่าไม่รู้จักกาลเทศะดังนั้นเวลาเราไปอยู่ที่ไหนจะไปทําอะไรขอให้ใช้ตาดูหูฟังแล้วใจคิดเสียก่อนว่าตอนนี้เขากําลังทํากับอะไรกันอยู่เรากําลังจะไปทําอะไรที่ทําให้วงเขาแตกหรือเปล่า ไปพูดอะไรที่จะทำให้วงเขาแตกหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่รู้ถ้าสงสัยก็เฉยไว้เสียก่อนนิ่งไว้เสียก่อนอย่าไปกระทำแล้วรอหาโอกาสถามผู้คนที่เขารู้ว่าตอนนี้ควรจะทำอะไรอย่างไรถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาตามขึ้นมานี่ก็คือตัวอย่างของการ รู้จักกาละเทศะเจ็รู้จักประมาณคือรู้จักความพอดีนั่นเองคนเรานั้นถ้ามีอะไรมากเกินไปมันก็ไม่ดีมีอะไรน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีมันต้องพอดีกับความจำเป็นเช่นการบริโภคปัจจัยสี่คือการรับประทานอาหารการมีเสื้อผ้า การมีบ้านอยู่การรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องมีประมาณมีความพอดีรับประทานอาหารมากเกินไปก็เป็นโทษกับร่างกายรับประทานอาหารน้อยเกินไปก็เป็นโทษกับร่างกายต้องรับประทานให้มันพอดีคือรับประทานอย่าไปรับประทานด้วยความชอบในรสชาติของอาหาร แต่ให้รับประทานเพื่ อ, อยังชีพไปวันวันหนึ่งรับประทานเพื่อดับความทุกข์ที่เกิดจากความหิวของร่างกายพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุทุกครั้งเวลาจะบริโภคปัจจัยสี่ให้พิจารณาเสียก่อนให้มีปฏิสังขาโยนิโสคือให้พิจารณาถึงเหตุผลของการบริโภคปัจจัยสี่เช่นก่อนที่จะฉันอาหาร ก็ให้พิจารณาว่าอาหารที่จะรับประทานนี้รับประทานเพื่ออะไรไม่ได้รับประทานเพื่อความสนุกสนานไม่ได้รับประทานเพื่อความสุขใจไม่ได้รับประทานเพื่อรสชาติแต่รับประทานเพื่อดับความกระหายความหิวของร่างกายอาหารจะเป็นชนิดไหนอย่างไรก็ไม่สำคัญจะถูกปากถูกใจหรือไม่ก็ไม่สำคัญขอให รับประทานเข้าไปแล้วทําให้รักษาให้ร่างกายนี้อยู่ไปได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ท้องเสียไม่มีความหิวก็เป็นอันใช้ได้ดังนั้นพระเจ้าจึงสอนให้พระรับประทานแบบเรียบเรียบง่ายๆเอาอาหารใส่ไปรวมไปในบาตเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องรวมกันไปในท้องอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหวานจะเป็นขาว จะเป็นผ ล, ลไม้หรือจะเป็นอะไรเดี๋ยวมันก็ต้องลงไปรวมกันในท้องอยู่ดีไม่จำเป็นต้องไปแยกแยะให้มันวุ่นวายเสียเวลามากจนเกินไปอาหารทุกชนิดมันก็ต้องรวมกันไปในท้องดังนั้นเราอยากจะฝึกฝ <c oughs> ึกนิสัยรับประทานแบบเรียบเรียง่ายๆ <c oughs> ก็เอาอาหารก่อนที่เราจะรับประทานนั่นแนะ่ะเอามาคลุกกันในบาศื้อก่อนคนมันเข้าไป <c oughs> ให้มันเป็นอาหารชนิดเดียวเพื่อดัดกิเลสปัญหาตัวจู้จี้จุกจิกตัวรุ่มหลงอยู่กับลูกรถของอาหารนั้นเท่านั้นเองถ้าเราทำได้แล้วต่อไป <c oughs> การรับประทานอาหารของเราจะไม่มีปัญหาเราไม่ต้องขับรถไปหาร้านเชวชวนชิมอยู่ไกลๆเพื่อรับประทานอาหารเพียงแค่มื้อเดียวเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทองอยู่ที่บ้าน มีไข่ทอดสักจานหนึ่งมีข้าวเปล่าสักจานหนึ่งก็อยู่ได้แล้วถ้าไม่เชื่อวันไหนถ้าเกิดมีอาการจู้จี้จุกจิกกินไม่ได้อาหารในบ้านก็ลองดัดกิเลสดูสับ้างลองอดข้าวมือนั่งสักมือสองมือดูรับลองได้หลังจากนั้นแล้วเวลามันหิวขึ้นมานี้แม้แต่ข้าวเปล่าๆคลุกกับน้ําปลามันก็อร่อยเพราะว่าเรื่องของใจมันเป็นอย่างนี้ เวลามันเคยกินอะไรมามากๆแล้วมันจะเบื่อแล้วมันก็จะเริ่มจูจจ้จี้จุกจิกแต่ถ้ามันไม่ได้กินข้าวมาสักวันสองวันนี้มันเห็นข้าวเปล่าคุกน้ำปลานี่มันก็จะกระโจนใส่เลยเพราะนี่คือเรื่องของกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าผู้เก่งใ น, นทางด้านนี้ได้ตรัสรู้รมได้รู้ถึงธรรมชาติของกิเลสตัณหานี้จึงสอนพระให้ ดัดกิเลสดัดตันหาด้วยการอยู่แบบกินอยู่แบบเรียบๆง่ายๆพอให้มันสำเร็จประโยชน์เท่านั้นกินอาหารก็เพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ไปวันๆหนึ่งใส่เสื้อผ้าก็เพื่อปกป้องพวกสัตว์แมลงทั้งหลายป้องกันความหนาวป้องกันอวัยวะต่างๆที่ควรจะปกปิด อ, อยู่บ้านก็อยู่เพื่อหลบแดดหลบฝนเท่านั้นเอง ไม่จําเป็นจะต้องเป็นบ้านใหญ่โตราคาเป็นร้อยล้านพันล้านเวลานอนหลับไปก็ไม่รู้ว่าบ้านนั้นราคาเท่าไหร่นอนในกระต๊อบกับนอนในบ้านพันล้านเวลานอนหลับไปมันก็เหมือนกันแต่คนในกระต่อบดีไม่ดีเวลานอนหลับไปอาจจะฝันดีกับคนที่นอนในบ้านร้อยล้านพันล้านก็เป็นได้เพราะคนที่มีเงินร้อยล้านพันล้านนี้มักจะมีเรื่องวุ่นวายใจอยู่เสมอ เวลานอนหลับดีไม่ดีก็จะฝันร้ายไปเสียอีกนี่คือเรื่องราวของการรู้จักประมาณรู้ว่าอะไรคือความพอดรีรู้ว่าเราใช้สิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์อะไรเราอย่าให้กิเลสตัณหามันมาหลอกเราว่าเราจะต้องมีของหรูหราของสวยๆงามๆของแพงๆเราจึงจะอยู่ได้ นี่เป็นความรู้ผิดเป็นความหลงไม่ใช่เป็นความรู้ที่ควรจะรู้นั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ศาสนิกชนสาธุชนทั้งหลายให้รู้จักสิ่งที่ควรรู้เจ็ดประการคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณ ถ้ารู้ทั้งเจ็ดประการนี้